จึงปล่อยให้ความคิดที่มาปรุงแต่งจิตใจเราทำให้ใจระวันไว้ไปตามอารมณ์ของความคิดทำให้นอนไม่หลับเครียดไปลการใช้ชีวิตหรือวิตกกังวลเรื่องอนาคตอันนี้เป็นว่าใจเรายัางไม่ได้ฝึกหรือบางคนอาจจะเบื่อเบื่อโลกคาว่าเบื่อโลกนี่ก็อาจจะไม่ใช่เบื่อเพราะปัญญาเบื่อที่จะ ต้องแสวงหาความสุขทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เป็นกรารมมงคลห้าเมื่อที่เราต้องแสวงหาไขว้คว้ า, วาเพื่อความสุขกับกรารมมงคลห้าเหล่านี้เมื่อที่มันก็เบื่อหน่ายเพราะมันมีแต่เรื่องซ้ำ ๆ, ๆ, ๆ้ำซากๆซ้ำเหมือนเดิมอยู่เนี่ยแล้วก็แสวงหากันไม่หยุดหย่อนจึงอยากจะแสวงหาความสุขแบบใหม่ ที่ไม่ต้องอาศัยการมคุณทั้งห้าเนี่ยเป็นความสุขสงบเย็นอยู่ภายในจิตใจเนอันนี้ก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นการฝึกฝนจิตใจเนี่ยทำให้เราได้รับความสุขจากภายในจิตที่เข้มแข็งเนี่ยก็ต้องอาศัยการฝึกวิธีการฝึกนี้ก็คือการทำกรรมฐาน เ, นเป็นหลักทมคาสอนในทางพุะศาสนา คือการทำกรรมฐานเนี่ยชื่อของกรรมฐานเนี่ยเราอาจจะดูมันคลิ้งเคลียดไปหน่อยแต่ความหมายเขาดีกรรมแปลว่าการกระทาฐานก็คือที่ตั้งกรรมฐานก็คือที่ตั้งเห็นการกระทาทางด้นานจิตใจเป็นความหมายที่ดีมากนะจะเรียกว่าเป็นโรงงานฝึกจิตใจก็ได้กรรมฐานเนี่ยหรือหมายถึงวิธีการฝึกฝนจิตใจก็ได้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 หินทับยากก็ได้แต่ก็มีความสงบอยู่ในอารมณ์ก็แล้วกันตายไปก็ไปเกิดดีเป็นเกิดในสุคติสูงสุดคือชั้นพรมถ้าสงบทัวทั้งไดชานแล้วก็ไปอุบัติในชั้นพรมพรมมะโลกอย่างเช่นอาลาละดาบทกับอุตะกะดาบทเนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยตอนนี้ก็อุบัติอยู่ที่พรมมโลกแต่เราก็ต้องกลับมาเวียนไหวตายเกิดในภพภูมิต่างๆอีก ยังตัดกิเลสได้ไม่ทาวอนอารมณ์ปฏิบัติก็อาศัยสมมติบัญญัติเนี่ยอย่างเช่นเรานั่งทำความสงบบริกรรมว่าพุโทโธพุโทโธให้จิตเป็นหนึ่งเพื่อจิตมันสงบล้วจะนับหนึ่งสามสี่เพื่อจิตมันสงบอันนี้คืสอสมถกรรมฐานเป็นอารมณ์การปฏิบัติกรรมฐานที่สองก็คือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี่เป็นชื่อของปัญญา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 สติที่เข้าไปรู้นี่ก็ส่วนหนึ่งใช่มมันแยกๆกันอย่างเงี้ยไม่เข้าไปเป็นผู้ปวดไม่มีการบังคับความปวดความเมื่อยเขาจะหายหรือไม่หายเนี่ยก็ไม่สำคัญไม่เกี่ยวสติแค่รู้เฉยอันนี้เป็นวิปัสสนาไม่มีการบังคับมีแต่การตามดูตามรู้หรือบางทีมันเกิดความคิดความคิดปรุงแต่งในจิตใจชอบใจหรือไม่ชอบใจเนี่ย ถ้าเป็นสมถกรรมาฐานเราก็บังคับเพื่อให้ความคิดี่มันหายไปจิตจะได้สงบมุ่าความสงบแต่ถ้าเรามีสติรู้เฉยๆความคิดจะดับหรือไม่ดับก็ไม่เป็นไรแค่รู้เฉยๆรู้แบบปล่อยๆวางๆไม่ต้องการอะไรอันนี้เป็นวิปัสนาพอจะดูออกนะ้วหรือบางครั้งมันเกิด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 จิตมันก็จะเต็มเต็มไปด้วยบุญกุศลที่เราสะสมเอาไว้แม้กระทั่งเราตายเนยเราก็เกิดในสุคติตายไปกับกรรมฐานกับการปฏิบัติเนี่ยจะต้องไปสู่ความเป็นสุคโตนะสุคโตก็คือเป็นผู้ที่ไปแล้วด้วยดีไปแล้วด้วยดีไปอย่างไรคือไปสู่ความไม่มีทุกข์อย่างไรพยานที่จะสังสมสิ่งเหล่าเนี้ให้มีขึ้นในจิตใจเราเสมอๆจะเป็นที่พึ่งของเรา ทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคต